วันนี้เป็นวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2555รู้สึกว่าฟ้าฝนจัดว่าแห้งแรงละปีนี่แต่ก็ไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นะแห้งแรงประมาณสักเจ็ดกว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าคิดเปรียบเทียบกับปีคนก่อน เพราะว่าชาวนาถ้าเป็นนาลุ่มก็ได้ปักดำเป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่นาเนินเนี่ยยังไม่ได้ปักดำเลยรู้สึกว่าเป็นห่วงกับพี่น้องลูกหลานเหมือนกันนะหลวงพ่อยะมาคิดทบทวนดว่าเอ๊ะมันเป็นพราะคาถาหลวงพ่อหรือเปล่านะทำให้ฝนแรงในว่าวาสบาย ครูโรงเรียนมาเข้าคอสก่อนเข้าพรรษาเข่าวนั้นพายุกําลังกระหึมกระหึมกระหึมมาเหมือนกันครัหลวงพ่อก็าเลยเสกคาถากันฝนเอาไว้พอกันฝนไว้เลยลืมเลยลืมแก้คาถาเขาไม่รู้เหมือนกันเลยฝนก็เลยไม่ตกกระทั่งทุกวันนี่แต่ข่าวนั้นก็ได้ผล น, น่หละครูโรงเรียนมาเข้าคอสมันไม่มีที่พัก อ, อก็ตกอยู่บ้างแต่ก็ไม่ไม่ถึงการลําบากมากหลวงพ่อก็ะเซคคาถาเป่าฟูดเป่าฟาดทุกวันเลยช่วงนั้นก็ทําให้ฝนกระเจิงกระเจิงกระจายไปที่อื่นฝนเลยไม่ตกเพราะฉะนั้นมาก็เลยฝนก็เลยหยุดไปเลยเนี่ยหลวงพ่อเ อ, อ้มันเป็นพ่อคาถาเราหรือเปล่าเนาะทำให้ฝนไม่ตกทินนี้ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกับคาถาใหม่ว่ะหลวงพ่อบอกนะอืมับ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 อน้ำมันงาทาหัวล้านออตกบ้านนี้บ้านนู้นจะตกบกับคาถาใหม่ให้ให้ตกบ้านนี้บ้านเนี่ยบ้านนู้นจะตกบ้นบานแถวไหนมันตกแถวที่มันทุ่วมเนะ่ะอย่างเงี้ยให้มันตกแถวแถวเราบ้านเนี่ยเปลี่ยนคาถาใหม่คาถาลุงปู่ชิงทองนบอกว่าเนี่ยมนุษย์มานาเนี่ย บนแรงก็ไม่ดีท่วมก็ไม่ดีหนาวก็ไม่ดีร้อนก็ไม่ดีมนุษย์มานาใช่านว่านว่ามนุษย์เนี่ขี้บนขี้จมเหลือเกินทั้งจมทั้งบนอะไรก็ไม่ดีทั้งนั้นไอ้ผู้ที่จะแต่งฟ้าฝนมาให้กุไม่รู้จะเอาจางไงพญาแถนอยู่บนฟ้าไม่รู้จะแต่งมาให้ยังไง แต่ฝนมาให้ไอ้พวกอยู่ใกล้ๆยาให้ตกนะพ่อไอ้พวกที่อยู่ใกล้ๆกันเอา้าตกลงมาเออพวกที่อยากให้ตกก็ไม่ให้ตกมันก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันอีกท่นนี่นเอพวกลงสีข้าวตาข้าวไว้ในลานก็ยาตกหน้าฝนนะ พ, นะพ่อเออเอาต้นตะไคร้ไปปลูกเอาหลากสีฟ้าเอาไว้ค้าฟ้าค้ำฝนมาไอ้พวกที่อยากจะให้ตกก็แหร่างแมว เอาน้ำสาดมางั้นแต่อยากให้ฝนตกทั้งพญาแถนอยู่ทั้งฟ้าเนี่ยไม่รู้อยากให้ใครเมางั้นอต่ไอ้พวกหนึ่งก็อยากจะให้ตกพวกหนึ่งก็ไม่ให้ตกยั่ไงพวกชาวไมตากมันไม่อยากจะให้ตกเยเอาตะไคร้ไปเสียบไว้เอาเอาลากชี้ฟ้าเอาไว้เหมางั้นแะ่คำฝนฟ้าคำฝนแต่พวกที่นึงกันเนี่ยมันสจำหลังที่ปลูกขึ้นมาใหม่มันจะตายถึง เอ้ก็แหงแมวรอบบ้านรอบเมืองทำมาให้ฝนตกติตศาสตร์น้ำใสนางแมวนะนางแมวเนะี่ยอยู่ในกงเนส่สันงอกงอกงอ ก, งอกมันถูกน้ำสาดแนละ้นไงขี่เล่าเอาน้ำสดัดนางแมวเนี่แหละพ่อจะแถนอยู่ตรงฟ้าบนฟ้านะี่ยเอ๊ะมองดูเราจะให้ใครวะเดี๋ยวก็ให้พวกหนึ่งพวกหนึ่งก็เสียใจให้พวกหนึ่งพวกหนึ่งก็เสียใจอถ้าเป็นอย่างนี้ข้าอาจจะแต่ง ว่าผ่าหัวมนุษย์ให้มันตายหมดมันจะไม่ได้ลาคาญใจเลยนะปัะญาแทนคิดใหญ่ทั้งบัด น, นโมโหขึ้นมามนคิดว่าจะเอาฟ้าแต่งฟ้าฝนออกมาพาหัวมนุษย์เล ย, ยงั้ือนกันแต่ทำ ม, มันยุ่งยากนักวากเหมือนกับปู่กับย่านะปู่ย่าตา ย, ายายเห็นลูกหลานมาเหนียวข้างเหนียวหลังกับโมโหขึ้นมาถี่แท้โหดลักษณะอย่างนั้นนะ พยูพญาแถนเนแบบว่าชนขึ้นมาแล้วจะทำพวกหนึ่งก็ถูกใจพวกหนึ่งก็ผิดใจพวกหนึ่งทำอีกพวกหนึ่งก็ถูกใจแต่พวกหนึ่งบัดผิดใจเลยมันลํำคานทั้งสองข้าง<อ>ทำไม่ค่าลํำคานถ้าเกินมนุษย์ เ, ยเดี๋ยวข้าจะแต่งฟ้าลงมาอัศนีบาทฟ้าผ่าลงมาตายหมดใช่ไเกี่ยงไปแล้วมันจบไป ล้างกระดานใหม่อาจจะเป็นสัตว์พัน์ใหม่ไปไงเถอะไม่เอารมนุษย์เนี่ยมันขี้บ่นเหลือเกินเลยเจ๊ก็หอยหอยขมหอยจูบมันอยู่อยู่ใกล้ๆะนะนนี้นิทานหลวงปู่จิ้งทองนะไม่ใช่นิทานหลวงพ่ออินหอยจูบอยู่ใกล้ๆะนะีอทางหอยจูบก็เลยพูดกับพยาแทนบอย จะไปหาสนใจอะไรเรื่องปากมนุษย์มันมีมกระโบนไปเรื่อยอย่างนั้นแหละเออมันมีแล้วกระโบนมีอะไรกัดกินมีแล้วมัน ก, นนก็เัยจูบไปเรื่อยโคนเขาโคนก้นขน่ขนขนขนอยมันยังจูบหอยจูบว่าเออให้ว่าคนไม่ไรแต่กินหอยจูบมันก็ต้องจูบ ป, ปากจูบก้นใช่ไหมเออทางหอยนะก็บอกขนาดก้กขนขน่อยมันยังจบ ทางพญาแทนโอ้มันปานั่นที่มนุษย์เนี่ยปานั่นแล้วปากมันสันโอ้สันาาเอาหอายเอาภัยมันซะเออก็เลยพญาแถนก็เลยให้เอาไพรมนุษย์เหมือนกันเออถ้าว่าไม่มีหอยไปคัดค้านไว้เนี่ยโอ้ยเออฟ้าเนี่ผ่าหัวมนุษย์ไม่รู้ว่าแตกไปกี่เสียงแล้วกันนี่ยนี่แหละ อ, อ, อันนี้นิทานของหลวงปู่สิงทองเลย เวลาท่านพูดท่านก็หัวเราะฮ่าฮ่เอีตรงปู่ชิจึงทองเนี่ยชอบพูดตลกนะนี่ทานคำขำมามาพูดอะไรเงี้ยนี่แหละสรุปแล้วก็คือเเป็นมนุษย์เนี่ยอย่าไปขี้บนขี้จบมากเกินไปบูดดูแด้วก็มันก็อดไม่ได้เหมือนกันนะอย่ามันแห้งแล้งอย่างนี้ใช่ไหมจะปักดำก็ปักดำไม่ได้เพราะ ม, มันแห้งแล้งไยข้าวกล้ามก็ตายหมดเลน ไม่รู้จะหาน้ําที่ไหนมาลดมันอีกอสมัยก่อนเนี่ยหาบน้ํามาลดก้าเนะทุกวันเนี่ยเขายังชั่วเลยมีเครื่องสูบน้ําแต่ก่อนเนี่ยตักน้ํามาลดก้าถ้าหากว่าฝนไม่ตกอ่ะแต่คราวนี้กัลักษณะอย่างงัดเหมือนกันะอถ้ามันแล้งไปอีกสักประมาณสักสองอาทิตย์นี่ยหลวงพ่อว่าน่าเป็นห่วงเหมือนกันถ้าฝนไม่ตกแต่ไม่รู้จะทํำยังไง พวกเราอยู่ใต้ฟ้าใต้ใต้ใตฟ้านะจุดแท้แต่ธรรมชาติมันจะมาให้แต่ว่าต้นไม้ไม่เป็นลายต้นไม้แต่พวกยางเนี่ยดีอกดีใจได้แต่เนะีนะ่ยถ้าฝนไม่ตกจะได้กีดยางแต่เสียใจหน่อยเดงก็คือว่าราคามันทุกเถนะีเนี่น่แหละสรุลแล้วก็คือโลกใบนี้นะไม่น่ามาเกิดถึงที่สุด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 ข้าวพวกหนึ่งกะกักตุนพวกหนึ่งก็ปล่อยออกพวกหนึ่งกันทาอีกไม่รู้ว่าอะไรต่อเมือะไรเถียงกันนัวเนียไปหมดทุกวันเนี่ยไม่รู้ว่าใครโกงใครกินใครกอรับชงขอรับชันติกันไปตำหนิกันมาดูๆแล้วมันน่าเบื่อจริงๆนะถ้าวว่าพวกเราท่านทั้งหลาย พยายามเผากิเลสในใจจะมาเกิดแต่ทีที่สุดถ้ามาเกิดก็ต้องมาเจออย่างนี้อีกอันนี้ค่อยยังชั่วนะเนเรามาเกิดยุคที้สมัยนี้ถ้าเกิดยุคสมัยข้าฟันรันแทงกันสมัยยกหอกยกดาบประชันหน้ากันเข้าไปตะลุมบอนกันมันน่ากลัวขนาดไหนทั้งหอกทั้งดาบเห็นกันเข้าไปสังหารกัน ไม่รู้ชางไม่รู้ว่าม้าสัตตราอาวุธเขาไปประหัตประหารกันถ้าเรายุคเกิดในยุคสมัยนั้นโอ้โหขนาดไหนยุคนี้สมัยนี้ก็เถอะถ้าหากว่าบ้านเมืองเกิดศึกสงครามเอาระเบิดมาเทงใส่กันตูมตามทูมตามแล้วก็ยิงปืนใหญ่ใส่กันทหารเขาเขามากวาดล้างแต่คิดคิดดูแล้วโอ้ไม่สีวิไลเหมือนกันนะเกิดมา ในพื้นมนุษย์เนี่ยมันน่ากลัวจริงๆยนี่ยมาปฏีลูประเทสวาโซจะปุเพจะกตะปุญญาตาอัตตะสัมมาปนิธิปุเพกตะปุญญาตาคล้ายๆว่าพวกเราได้สร้างบุญดีแล้วจึงมาเกิดในพื้นแผ่นดินในยุคนี้สมัยนี้ปุเพกตะปุญญาตาปุอัตตะธรรมาปนิธิ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 มีสัมมาทิฏฐิคือเห็นความเห็นรู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักบาปปุลคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ในทางเรามีบุญปฏิรูประเทสวะโซจะเกิดเป็นในประเทศอันสมควรปุกเพจกะตะปุญญาตาเพราะพวกเราได้ทําความดีได้ทําบุญไว้ในในอดีตจึงได้มาเกิดอย่างนี้อัตตสัมมาปณิธิ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 คือประเทศที่ไม่มีศึกสงครามแล้วก็เป็นประเทศที่ไม่ได้ทำอะไรให้พวกเราทุกอยากลำบากจนเกินไปแต่บางประเทศเดี๋ยวนี้พวกเราคิดดูซิบางทีอาหารจะกินก็ไม่มีบางทีเกิดศึกสงครามไม่มีไม่เว้นแต่ละวันแล้วไม่รู้ว่าบาผ ว, วาอยู่ตลอดเวลาไม่รู้จะตายเมื่ อ, อไหร่อย่างนี้เป็นต้นนะ อันนี้ก็คือถ้าเราไปเกิดในจุดนั้นยุคนั้นสมัยนั้นเนะ่ยเราจะมีความทุกข์ขนาดไหนแต่หลงพ่อเนะี่ยสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นเยอรมันเข้ากันตีพกยุโรปอเมริกานะ อ, อกวาดล่างกันในะที่ถินนี่คือญี่ปุ่นประเทศไทยญี่ปุ่นเข้ามา พอสงครามเลิกะหลวงพ่อเลยมาเกิดเจะไม่โลมาจากที่นั่นเรามาเกิดพอสงครามสงบศึกปีนั้น่ะปีแปดแปดอะหลวงพ่อก็คงจะมองมองดูเหมือนกันอะสงครามจบแล้วไหมเดี๋เรามาเกิดถ้ามาเกิดในยุคสงครามเนาะพ่อกับแม่เนาะคงจะอุมลูกวิ่งหนีสงครามไปทุ่นเท่าไหลเหมือนกันนะอะปีแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดอะ ปี88เนี่ยเพราะสงครามสงบจุดสงครามญี่ปุ่นปี2000 2488สงครามสงบนะปีนั้นนะเริ่มสงบนะนี่แหละหลวงพ่อก็เกิดในปีนั้นพอดีถ้าเกิดก่อนหน้านี้นหลวงพ่อคงจะลำบากคนกันนะพ่อแม่แต่เราไม่รู้หรอกตอนเป็นเด็กออมีแต่เขาหอบไปหอบมาเวลาเขา ได้ยินเสียงระเบิดได้ยินเสียงอะไรมาไหมแต่เขาจะปิดปากมันร้องให้เพอเพ อ, เ ป, อปิดปากแยงมาแล้วจะปิดจมูกอีนี่นเพอเพ อ, เอจะตายในสงครามกับยุคนั้นอีกนเนี่ยะหละเกิดมาน่ะมันทุกข์เหลือเกินอยากเกิดแต่ดีที่สุดนะให้ภาวนานะพวกเราท่านทั้งหลายนะชำระใจให้หมดจดจากกิเลสไม่มาเวียนว่ายตายเกิดมีช่องทางอยู่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้แล้ว ทำสมาธิและเดินปัญญาจากนั้นก็เห็นให้รู้แจ้งเห็นจริงเบื่อหน่ายคลายนิพพิธาคือนิพพิธาคือความเบื่อหน่ายคลายจิตใจก็จะดุดพ้นจากอาสวะกิเลสนะอรับพรอนะโมตนาให้พร